สภาวะที่เมื่อกี้พี่นั่งนั่งแบบนั้นรู้สึกตัวคนอยู่โลกความคิดปลุงแต่จิตใจก็กลับสู่ความเป็นปกติในขณะนั้นรู้สึกว่ามีเรานะพอพี่คิดอันนี้ความเป็นคนก็เกิดขึ้นแต่ในขณะที่พี่ไม่ได้คิดเลยไม่มีไม่มี ธรรมะเป็นสิ่งที่รู้ล่วงหน้าไม่ได้รู้ปัจจุบันอันนี้เป็นธรรมะอย่าไปไกลว่ะสิ่งที่เราพยายามจะโปรเจกต์ไปในอนาคตภาพที่เราพยายามจะคิดไปในอนาคตที่เราน่าจะเข้าใจได้มันผิด ม, มันไม่ถูกธรรมะที่แท้จริงสายเซนนี่ก็เลยพูดว่าก็คือการปิดปากพูดออกมาก็ผิดเลย เพราะมันอธิบายไม่ได้แต่มันจำเป็นต้องอธิบายมันเลยต้องใช้คำพูดภาษามันเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคเราเราพูดให้ครบหมดทุกอย่างไม่ได้การปฏิบัติธรรมเลยจำเป็นต้องครูบาอาจารย์เพราะว่าในเวกันเดินของแต่ละคนเนี่ยมันจะไปเจอนี้เลยครูบาอาจารย์พูดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ แต่แนะนำได้ในแต่ละรายละเอียดที่เรากาลังเดินผ่านไปแต่ให้พูดหมดทุกอย่างไม่ได้เพราะพูดกับคนนี้คนนั้นไปฟงซ่ามันจะมันจะพูดละเอียดหมดทุกอย่างไม่ได้คำแนะนำทั้งหลายนี้เป็นของเฉพาะหลักการปฏิบัติคร่าวๆนี่รวมๆฟังได้แต่เมื่อเดินทางแล้วนี่เป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ละคนจะจะเป็นอะไรเจออะไรติดอะไรเหล่านี้ก็ต้องค่อยๆตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวากันไปให้มันเข้าทางไม่ให้มันติดที่ผมเมื่อกี้พยายามเน้นมากๆเลยกลับบ้านที่แท้จริงคือกิริยาตื่นรู้เฉยๆกิิยา เวร์บมันเป็นเวิร์บไม่มีซับเจกเป็นแค่กิริยาตื่นรู้แล้วใครต้องการความรู้ไม่มีเราไม่ต้องการเราเป็นแค่กิริยานี่เฉยๆ mm. ก็กลับบ้านไปนี้ให้เห็นความสงสัยสงสัยแล้วไม่ต้องตามก็ไปหาคาตอบ น, นับความสงสัยวันนี้กี่ครั้ง เขีดไปเรื่อยๆอาจจะร้หนึ่งฝึกเริ่มฝึกแบบนี้สงสัยพุกมันนี้เขียนสงสัยนะไม่หาคำตอรู้สึกตัวสงสัยแล้ว น, นี่ขีดสงสัยนะอันนี้เป็นงานใหม่สำคัญกว่างานที่ทำอยู่เคยไหมว่าเราทำงานประชุมทำคอมพิวเตอร์แล้วก็ ลืมตัวไปเลยว่ะหายไปเลยนะครอมพิวเตอร์หายไปเลยในการงานหายไปเลยในละครเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกเราจะเปลี่ยนเราจะรู้เองว่าอยูยนี่อยู่นี่กับตัวมากเห็นเพราะอะไรมันไม่ทุกเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยเเราจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตัว มันไม่ใช่การเพ่งจ้องแต่มันก็ไม่ใช่ลืมจากการที่เราปฏิบัติในรูปแบบนี่แหละเดินจงกรมเลยตรงเนี้ยความอยู่บนเรื่องกับตัวนี่มันเป็นธรรมชาติใหม่ที่เราฝึกมันพรอเวลาเราพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเฮ้ย hey, ต้องรู้สึกตัว ม, มันไม่ใช่ว่าเราต้องสั่งตัวเอยงเนงะี้ยมันรู้เองรู้เองมันรู้เองจากอะไรจากาที่เราเนี่ย มีวินัยทำในรูปแบบฝึกที่จะรู้จักธรรมชาติชนิดใหม่ธรรมชาติแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวธรรมชาตินี้มันก็สะสมเป็นความความเคยชินใหม่ของจิตพอมันมีความเคยชินใหม่เวลามันพูดคุยอะไรเนี่ยมันจำได้ภาษาบาลีทีละสัญญามันจำได้จำสภาวะนี้ได้มันก็กลับมารู้สึกตวัวแต่ที่บอกมันมีบันได เราต้องจับราวบันไดขึ้นไปเช่นบอกว่าผมบอกต้องทุกคนต้องทําในรูปแบบต้องเดินจงกรมรู้จักความรู้สึกตัวรู้จักสภาพเดิมพ้นออกจากความคิดปลงแต่งรู้จักจิต ใ, ใจที่มันเป็นสภาพเดิมแท้ที่มันเปิดเผยตัวออกมาหลังจากที่เรารู้สึกตัวแล้วเราก็พ้นจา ก, กความทีป่ปลงแต่งแล้วใจเราก็มันก็จะหนักแน่นความรู้ตัวนี้มันหนักแน่นจิตใจก็เพิ่มมันไหวอันนี้เห็นเลยรู้เลยทันทีอะไรเนี้ยเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะครับทำให้เกิดความเป็นเองขึ้นพูดคุยอยู่กับรู้ตัวได้ไม่ลืมมันอาจจะไปฟึ๊นิดหนึ่งมันก็เก็รู้แล้วเรียกว่ามันไม่ลืมนะกันเราอย่าไปคิดว่ามันต้องแบบอุ้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนั้นเรียกว่าไม่ลืมมันอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวฟังคํานี้ดีๆอยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันเป็นแล้วมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เพ่งจ้องอะไรเอาไว้ใช่ไหม มันเป็นแค่ความอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่เฉยๆแค่นั้นเองการที่เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมมากกว่าเดิมเราจะมีโอกาสที่เราจะเข้าใจวิธีปฏิบัติที่เกื้อกูลให้เราบนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่เสียเวลาเราจะต้อง ดำเนินเหตุตัดใจอะไรบ้างแล้วมันจะทำให้เราเข้าถึงผลลักนั้นได้ได้อย่างรวดเร็วแต่นั่นแหละมันที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคนกรรมอะไรด้วยหลายอย่างคนเป็นช่างไม้อะไรเงี้ยมันก็เก่งเรื่องไม้สุ ด, สดเลยเงียมันทำอยู่เรื่องเดียวทำเหล็กไม่ได้ ก็เชี่ยวชาญหมดทุกอย่างเกี่ยวกับไม้เราเหมือนเป็นช่างเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนี้มากเท่าชีวิตเราเราเป็นอะไรเราเป็นสารพัดช่างรู้หมูก ป, ป่ารู้เหมือนกันพูดได้สวยรู้รูล่ะพูดเป็นพระอาหารนึงก็ได้นะตังเยอะๆหน่อยอาหารเยอะหน่อยอ แต่ความเข้าใจในตัวเองไม่มีทำไมคนในโลกนี้ถึงตื่นรู้ไม่ได้ทำไมคนในโลกนี้ถึงยังทุกข์อยู่เพราะว่าเขามีเหตุปัจจัยของความหลงของอวิชชาปพาเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกความหลงก็ต้องทุกข์อันนี้หนีไม่ได้ต้องทุกข์ เห็นทุกละเอียดไหม่าในโลกรู้ทุกทุกทม่มีความทุกทุกวันแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราเริ่มจากความตื่นรู้ผลทั้งหมดที่เป็นผลพวงตามมามเราจะไม่รู้เลยรู้รู้ก็เห็นแบบคนที่เขาตื่นรู้แล้วสร้างเหตุตัวนี้ให้ได้ อย่างอื่นหยาบกลางละเอียดเห็นหมดไม่ต้องรีดที่จะเห็นให้มันละเอียดกว่าเราชอบเห็นละเอียดแล้ว ร, รู้สึกว่ามันดูถ้าเราเห็นละเอียดอุเห็นพันกิจยักยับเลยนะ เ, เห็นอะไรที่มันดูพิเศษพิเศษค้นทุกไหมเห็นแบบนั้นนะี่ยมีแต่อัตตาเพิ่น ว่าฉันปฏิบัติดีเห็นอะไรละเอียดเห็นอะไรคนละทางกับความพ้นทุกเลยคนที่ฟุงงร้านเยอะเนี่ยพอหัวทางจงกลมเนี่ยให้เราระลึกไว้เฉยๆว่าเดี๋ยวเราจะรู้สึกเท้ากระทบอื่นระลึกไว้นิดนึงแล้วพอเดินเนี่ยพอมัน ม, มันก็จําได้กลับมาที่นี่ จำได้กลับมาที่นี่แต่เดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวมันก็ไปรู้สึกที่อื่นบ้างแต่แคล้ายๆสิ่งที่เราลัลึกไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป็นหลักเรามีหน้าที่รู้เฉยๆมันไปไหนเราก็รู้เพราะเราไม่ค่อยอยู่เนื้กับตัวก็เลยต้องฝึก ให้เกิดที่ผมพูดคำเมื่อกี้เนี่ยทีละสัญญาคือสภาพที่มันจิตนี้มันจำความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ได้เขาแค่ฝึกให้เราจิตมันจำสภาพแบบนั้นไดมน้มันจะได้ไม่หลงไปนานมันจะนึกขึ้นได้เร็วขึ้นแค่นั้นเองเราเวลาเราอดทนเจ็บเนี่ย ถ้าจิตใจยังเกาะเกี่ยวกับความเจ็บนี้ยต่อให้ทนได้มันก็ทุกข์แต่ความพ้นทุกข์ก็คือจิตใจนี่มันไม่เกาะเกี่ยวกับความเจ็บนี้แล้วมันไม่เกี่ยวกับทนทนเก่งหรือทนไม่เก่งความไม่ทุกข์มันเกิดจากอายตนะนี่มันเชื่อมไม่ถึงกันมันนำความทุกข์มาสู่ใจไม่ได้ ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าเราอดทนมันได้ความทุกข์ทางใจไม่มีความเจ็บนี้ยังมีอยู่จะร้องโอยอายก็ได้ <laughs> ก็มันเป็นความเจ็บทางร่างกายแต่ว่าความทุกข์ในใจนี้ไม่มีอย่างหลวง ป, ปู่จันสีใช่ไหมที่พึ่งมอระนไปท่านจะเคยพูดว่าเห็นอาตมาเป็นแก่ดูป่วยแบบเนี้ย แต่ไม่ต้องห่วงอาตมาใจไม่ทุกมันดูภายนอกไม่ได้ใจที่มันหลุดพ้นไม่กเกาะเกี่ยวแล้วมันก็ไม่รู้จะทุกข์ยังไงเหมือนเห็นคนนี้เจ็บเราต้องทุกข์อ่ะเราก็ไม่ต้องทุกข์เห็นเป็นคนอื่นเจ็บให้มันไม่ทุกข์ด้วยความที่มันสะพานเชื่อม อันนี้มันขาดออกไปไม่ใช่ไม่ทุกขเพราเราอดทนเองมันจะเป็นความเข้าใจพระพุทธเจ้าเคยพูดีนท่านเฉยมานันทาพูดสติละเว้ไม่ได้สติเพียงแต่ระลึกลุ้มเฉยๆว่าตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นแต่ตัวที่ทําหน้าที่ที่จะไม่ให้ความทุกไม่ความปรงแต่งนี้เกิดขึ้นนี้ปัญญานี้เข้ามาแทน เมื่อก่อนพอสติระลึกรู้ได้ก็อวิชาทํางานเลยแต่พอเราปฏิบัติทำสติระลึกได้ปุ๊บปัญญาเข้ามาแทนในผมมันเกิดความเข้าใจเหมือนถ้าเรารู้ว่าน้ําแก้วนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นยาทิ้งเราก็กินคนหลังรู้แล้วอ้น้ําสีแบบนี้เป็นทิ้ก็ไม่กินแล้ว ต้องทําอะไรไหมว่าไม่อยากยินไม่เอาจ่ติดกั้นอะไรไหมมันไม่เสียมันไม่เอาเองมันรู้แล้วเหมือนเด็กไปเล่นไฟไฟมันสีสวยใช่ไหมเด็กไปเล่นฟ้าบลอนลวกมั น, มนลังมันไม่เอาแล้วเนี่ยมันเกิดความเข้าใจขึ้นการปฏิบัติธรรมคือเราเข้าใจที่ผมบอกว่าพอเราตื่นรู้เราเข้าใจความเป็นจริงได้ไม่เอาเองตป จ, จบ พระเจ้าสอนเราข้อแรกมงกลสามสิบแปดประการไม่คบคนผ่านเพราะเมื่อไหร่เราไปคบคนผ่านเราจะมีกรรมร่วมกับคนพวกนั้นแล้วถ้าคนพวกนั้นมีเยอะเราจะโดนดึงดูดไปกับคนพวกนั้นชีวิตเราว่าดีไหมไม่ดีพระเจ้าเลยบอกว่าต้องคบกัรลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็จะพาเราไปสู่พรหมจรรย์นดะ เราอยู่ที่เราเลือกทุกชีวิตทุกวันทุกขณะเราต้องเลือกออกจากบ้านเราก็ต้องเลือกจะใส่ชุดไหนดีไปกินข้าวที่ไหนดีวันนี้จะมาที่นี่ดีไหมเราต้องเลือกถ้าเราเลือกทางที่พอดีพอเหมาะพอควรถูกต้องชีวิตต้องเจริญขึ้น แต่ถ้าเราเลือกผิดอันนี้ชีวิตก็เปลี่ยนเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนเลือกผิดชีวิตก็เปลี่ยนเพราะนันทุกช่วงชีวิตของเราเปราะบางเปราะบางถ้าเรายังอาศัยความคิดอาศัยจิตที่เต็ไมไปด้วยอวิชชาตัดสินกับเส้นทางชีวิตของตัวเองไปเรื่อยๆเราลำบ า, ากแน่นอน ยิ่งเรามีจิตใจที่ตื่นรู้บริสุทธิ์มากเท่าไหร่มันเล็กน้อยเราก็เห็นหมดทุกอย่างจิตขยับนิดเดียวก็เห็นแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการของจิตมันเป็นมายาเป็นผลจากความปรุงแต่งของอวิชชาเราแค่รู้เฉยเฉยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวจริงของเราตัวจริงของเราคือตัวนี้ตัวที่ตื่นรู้อยู่กิริยาที่ตื่นรู้อยู่ กลับสู่บ้านที่แท้จริงบ้านแห่งความตื่นรู้คิริยาแห่งความตื่นรู้แค่นั้นแล้วผลทุกอย่างจะเกิดขึ้นเองสรุปอีกครั้งคือเราจะตื่นรู้ได้อย่างไรเราต้องรู้สึกตัวพ้นออกจากโลกของความคิดลงแต่งรู้จักสภาพเดิมแท้ที่มันเป็นปกติราบเรียบไม่ขึ้นไม่ลงไม่หวกไม่ลบรู้จักสภาพแบบนี้ไว้ ความตื่นรู้ก็จะเกิดขึ้นเราจะเข้าถึงสภาพตื่นรู้ที่ปราศจากอคติปราศจากทิฏฐิปราศจากตัณหาใดๆทั้งสิน้นเพราะในขณะนั้นจิตใจเราปกติไม่มีความอยากอะไรพอเราเข้าถึงความตื่นรู้มากขึ้นเราก็จะเห็นอะไรละเอียดขึ้นเราจะรู้กลไกของธรรมชาติที่ว่าทำไมเรายึงทุกข์อยู่ เมื่อก่อนเราไม่รู้ขนาดนี้เราฝึกไปฝึกไปแเราอ้อเห็นอ๋อมันมีต้นตอแบบนี้อ๋อมันยังจับอยูแบบนี้เอ้ยทํำไมมันปล่อยไม่ได้เราก็จะเข้าใจขึ้นอ๋อก็เข้าไปจับแล้วนี่ต้องมีผลเราแค่รอรับผลหน่อยให้ผลมันจางคลายไปแล้วมันก็จบเราอย่าไปเพิ่มเหตุความทุกข์มันสอนเราให้เราฉลาดขึ้นที่พี่พูดตลอดว่ า, าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของความเข้าใจพอเราเข้าถึงความตื่นรู้ เราก็จะเข้าใจเข้าใจธรรมชาติของกายและใจนี้เข้าใจการทำงานของอวิชชานี้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับตัวเรานี้ได้อย่างละเอียดขึ้นเรื่อยๆพอเราเข้าใจมันถึงปล่อยได้ถ้าเราไม่เข้าใจก็ปล่อยไม่ได้ไม่ผิดการปฏิบัติธรรมไม่ต้องกลัวผิดการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการที่เรา เดี you, signals, ๋ยวไปซ้ายหน่อยอย่าไปขวาหน่อยไปซ้ายหน่อยเดี๋ไปขวาหน่อยถ้าเราไม่ยอมไปซ้ายไปขวาเรารู้ตรงกลางไม่ได้พอมันไปซ้ายมันเลยทุกนิดหนึ่งไปขวาก็ทุกอีกนิดหนึ่งไปซ้ายก็ทุกอีกหน่อยไปขวาก็ทุกอีกหน่อยเราจะค่อยๆ่อยขยับเข้าขยอบเข้าขยอบเข้าเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ในโลกเรามีเงินเยอะมากเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการเราทำอะไรก็ได้ตามต้องการ แต่พอวัอนึเราต้องทุกข์กับความอยากของเราวันนึงมีคนลิบเงินเราวันหนึงมีคนลิบของชิ้นนี้เราวันนึงมีคนเอาของที่เราชอบไปไม่ให้เราทําแบบนี้ไม่ให้เราทําแบบนั้นความทุกข์ทั้งหลายก็บีดคั้นเราบีดคั้นเราบีดคั้นเราแล้วก็จะเข้าใจว่าโอ้ความอยากนี่เองเป็นต้นเหตุของความทุกข์ถ้ามันไม่มีความทุกข์ให้เรารู้ เราจะรู้ไม่ได้ว่ามันกำลังผิดอยู่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องผิดก่อนมันถึงจะถูกได้ไม่มีใครสามารถเดินปุ๊บอันนี้ถูกเลยไม่มีทุกคนต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะทำอะไรในโลกนี้ก็ตามไม่ใช่แค่การปฏิบัติธรรมเด็กเกิดขึ้นมามันต้องคลานก่อนมันจะเดินมันต้องล้มด้วยมันถึงจะเดินได้ไม่ใช่มันเดินได้เลยเลยที่ไม่ล้มอีกเลย มันต้องเซไปเซมาเซไปเซมาอยู่ตั้งนานกว่ามันจะเดินตรงๆได้ทุกสิ่งทุกอย่างทําเป็นแบบนั้นธุรกิจเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นไอ้คูซอฟต์แวรมาปุ๊บใช้ได้เลยอิ s t แ n t coffee ไม่มีอะไรติดพลาดเลยไม่ใช่ธุรกิจต้องลองทําทํานี้อุย้ยไม่ได้ทํานี้อุย้ยไม่ดีอุย้ยทนี้พลาดก็ต้องค่อยๆแก้ไขแ ก, แ, กแก้ไขแก้ไขจนมันเข้าที่เข้าทาง การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เอาถูกการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงแค่การอยู่บนเส้นทางของความตื่นรู้นี้แค่นั้นไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดอยู่บนเส้นทางนี้ให้ได้อย่าตกเส้นทางนี้ตกไปก็กลับมาใหม่อยู่เส้นทางนี้แค่นั้นเองทุกคนยังต้องมีความทุกข์เป็นครูมีความทุกข์ที่จะคอยกระตุ้นให้เรา เติบโตทางจิตวิญญาณขึ้นมาถ้าเราไม่มีความทุกข์เราจะติดสุขเราจะเพลินเราจะนึกว่าเราพ้นทุกข์พ้นร้อนแ้วทุกข์มันถึงจะเจริญถ้าไม่ผิดไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ไมจเจริญการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของถูกผิดพ้นไปจากความถูกผิดอีกทีหนึ่งรู้เฉยๆรู้มันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างไง แค่ น, นั้นเองเรารู้เท่าที่รู้ได้ในขณะนี้เรารู้แค่นี้คือรู้แค่นี้เราจะรู้ทั้งหมดร0 0ไม่ได้ถ้าเรารู้ทั้งหมดร้0เปร็นราเป็นพาาระอรหันต์ไปแล้วแต่เพราะความเข้าใจเรามันยังไม่รอบด้านเรารู้ทั้งหมดไม่ได้แต่เรารู้ได้เท่าที่เรารู้ตอนนี้อันนี้เป็นสมบูรณ์ที่สุดที่พี่เคยพูดว่าทุกขณะสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ขณะนี้มีอวิชชาเท่านี้ขณะนี้มีความตื่นรู้เท่านี้มันก็ธรรมชาติของมันก็ทําให้เกิดความสุขความทุกข์ความอะไรบางอย่างกับความรู้สึกออกเท่านี้อันนี้เป็นสมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้นแล้วเราต้องยอมรับความสมบูรณ์ที่สุดในขณะนั้นยอมรับมันแล้วอะไรจะเกิดในตอนนั้นเรารู้ได้เท่าไหร่รู้เท่านั้น รู้ได้แค่ไหนรู้ได้แค่นั้นก็ทำก็ได้แค่นั้นเพราะมันทำอะไรไม่ได้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นมีแต่การรู้อย่างที่มันเป็นแค่เรารู้ว่าอยู่บนพื้นฐานของความไม่มีตัวตนรู้อยู่บนพื้นฐานลองความที่จิตใจนี้เป็นปกติปราศจากตัณหารปราศจากความอยากปราศจากทิฏฐิเป็นอะไร สมบูรณ์แล้วของเ ร, เราคือตัวตื่นรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราไปรู้คนละอย่างนันีตัวที่จะไปรู้รู้อะไรก็ได้มันจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราไม่ใช่มันเราเป็นแค่กิเยาเป็นเวอร์ตื่นรู้เฉยในขณะที่ตื่นรู้ไม่มีปัญหาถ้าเราสามารถตื่นรู้อยู่เฉยๆได้ แต่ถ้าตื่นรู้แล้วตัณหาเกิดเช่นผิดหรือเปล่านี่ตกแล้วเมื่อกี้มเมื่อกี้ยพอได้มีตกแล้วต้องใช้หลายอุบายในการปฏิบัติเครื่องมือต้องใช้หลายอย่าแต่เราต้องรู้ว่ามันเป็นเครื่องมือเราต้องรู้ว่าตัวจริงของเราเครอืออะไรต้องรู้ว่าเครื่องมือคอืออะไร ถ้าเรารู้อะไรเป็นอะไรหมดจบชื่ออะไรเหมือนหลวงพ่อสุมาโนจะสอนใช่ไหมบอกว่าทุกคนชอบเศร้าใจเวลาคิดอกุศลกับภูบาอาจารย์ชอบมึงกวามคิดอกุศลกับภูบาอาจารย์คิดไม่ดีเป็นบาปเยอะเป็นอะไรเยอะไม่น่าเลยทําไมเราคิดแบบนั้นทาไมเราเป็นคนแย่แบบนี้หลวงพ่อสุมโนสอนพวกเราว่า แบบคิดไม่ใช่ของเราสบายเไม่มีใครพอเราแบบนี้ก <c oughs> ุ้มใจอยู่ตั้งนานอย่างเงี้ยใช่หมมันมันไม่ใช่ของเราเพ้เราเพียงแค่รู้แค่เห็นสภาพต่างๆตามความเป็นจริงเฉยๆไม่ต้องไปทุกขกัมันมันทำงานเอง จิตมีธรรมชาติไหลลงต่างชอบคิดอกุศลแต่ไม่ใช่ไปช่วยมันคิดนะคุณ <c oughs> รู้ว่ามันคิดเฉยแต่เราจะต้องเข้าใจไปธรรมชาติานะการที่เราเข้าใจอุ้ยทําไมเราเป็นคิดไม่ดีเราคิดอกุศลนั่ไหมเราเราเอาสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นตัวเราแล้วสร้างตัวตนอยู่แล้ว <c oughs> เราต้องเรียนรู้มันไม่ใช่เอามาเป็นของเรา ต้องเรียนรู้มาเนาะโอ้โหธรรมชาติมันทํางานแบบนี้องธรรมชาติทําให้เราก็ไปจับแล้วเราเป็นทุกข์เราไม่อยากทุกข์แบบนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องทำไม่ตามความคิดไปไม่เข้าไปในความคิดเรื่องุ่งของมันกลับมารู้สึกตัวต้องกลับมารู้สึกตัวเหตุมันก็ดับละอัตโนมัติทุกข์มันก็ต้องหายไปอยู่ไม่ได้ไม่มีเหตุมันอยู่ไม่ได้ไ เราก็เข้าใจง่ายๆนี่แทุกสิ่งจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไตรลักษ์เราเข้าใจอยู่ทุกขณะที่เราตื่นรู้อยู่แล้วถ้าวันนี้ไม่มีใครสอนเรื่องไตร ล, ลักษ์เลยถามว่าเราเข้าใจไหยเข้าใจเราแค่พูดไม่เป็นเราแค่ไม่รู้คำศัพท์เฉยๆวันนี้พระพุทธเจ้าออกไปหาทางพ้นทุกข์ ไปตามหาความจริงไม่มีใครสอนพระเจ้าไตรลักุณ์เจ้าปฏิบัติกับนี่แหละและเข้าใจพอทุกสิ่งเป็นไปลักแต่สมัยนี้เราชอบรู้ก่อนไม่ต้องเห็นไตลักเราจะเอาไตลักจะเอาเห็นไปละกษให้ได้เราไม่ยอมให้ธรรมชาติมิพาให้เกิดควารมรู้จักธรรมชาติ ความเป็นไปด้วยตัวมันเองเราใจร้อนเรารอไม่ได้แต่ตังที่เราตื่นรู้ขึ้นมาธรรมชาติจะพาเรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเองเพราะฉะั้นกรนปรปฏิหัวใจสาคัญเราต้องตื่นรู้ให้ได้ตื่นรู้ให้ได้ความเข้าใจจะเกิดเข้าไปในใจไม่ใช่เข้าไปสมอง กลับไปที่เรามีเวลาตื่นรู้ขนาดไหนทุกคนต้องสำรวจตัวเองกายไม่มีเวกเจิตก็มีเวกไม่ได้ความเจ็บป่วยเกิดจับใครก็ได้ไม่ต้องแก่ เราเป็นทายาทของกรรมถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอแล้วเราต้องรับกรรมจากทางร่างกายจิตใจเราต้องพร้อมแนละ้ว